เมื่อตั้งไว้ถูกต้องควมเห็นคนถูกต้องเมื่อเรานำมาใช้นำมาปฏิบัติมันก็ได้ผลดีเป็นอย่างนี้อย่างไรเมื่อเรารู้เช่นนี้เราคิดฟุ้งออกไปนอกตัวเรารู้บางทีแสดงท ร, รมให้คนนั้นคนนี้ฟังหลวงพ่อเคยได้ยินบางคนกำลังเดินกลมไปเอาสอเอากระดาษไปวางไว้ที่ข้างๆ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 ทุก็เลยหมดไปอย่าให้คนอื่นมาแก้ทุกข์ให้เรามันแก้ไม่ได้เราต้องแก้ตัวเราอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนนั้นอย่าไปตั้งความหวังไว้กับคนนี้เ <ême> ม <s> ื่อเราไปตั้งความหวังไว้กับคนนั้นไปตั้งความหวังกับคนนี้อันนั้นทุกแล้วไม่มีเลยทุกเนี่ยไม่มีจริงๆหลวพ่อเคยปฏิบัติมาแล้วเข้าใจว่าคนอื่นเอาทุกข์มาให้เราตัวควรจริงเราไปเอาทุกข์มาจากคนอื่นทั้งนั้น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 ที่เราไปปลูกบ้านบนสวรรค์มันไม่มีพื้นฐานก็เราไปคิดคนนั้นจะให้ข่มสุกแกเราอย่างนั้นคนนี้จะให้ข่มสุกแกเราอย่างนี้มีหวังเอาหวังไว้แต่ว่ากับคนนั้นตั้งความหวังไว้กับคนนี้อันนั้นผิดแล้วทุกแล้วอันนั้มันทุกแล้วเราจะเอาความทุกของเราด้วยแหละไปให้คนนั้นคนนี้อันนี้ผิดผิดอย่างหนักทีเดียววิธีที่จะแก้ก็ไม่ยากเดินจมครม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 ตัวควจริงเขาไม่ได้คิดถึงเราเราคิดถึงคนเดียวเราเราเป็นบ้าคนเดียวเราเรามีทุกคนเดียวเราคิดถึงเขามองเห็นหน้าเห็นตาเขาดีใจได้ยินเสียงพูดเขาก็ดีใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกแล้วอัมันตกนรกทางปีอยา่าไปคิดอย่างนั้นอยา่าไปตั้งความหวังเลยเดืนี้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งความหวังกับใครทั้งหมดเลยตั้งแต่เมื่ออายุ46ปีพุทะมาปี2500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 ดังนั้นคนเรียนรู้มา ก, มากเอาหัวไปฝังนะกคมลูอันนั้นแหละเข้าไปในขมลูอันนั้นจึงว่ามีทุกข์มากคนบางคนนะหลวงพ่อไปอยู่ที่วสุนประทานปีสิบแปดนั่นน่ะคนเียนใหม่มีลูกสาวคนเดียวพ่อแม่เป็นคนรวยมาก <c oughs> มีโรงสีมีโรงงานมีโรงน้ําแข็งมีอะไรหลายอย่างไปเรียนหนังสือจากเมืองนอก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 คนสมัยนี้เข า, าเรียกคนอกหักเอาไว้คนอกหักแต่หนูพ่อไม่รู้เลยคนอกหักนี่หนูพอเพิ่งมาได้ยินใหม่ๆนี่แหละหนูพ่อไม่รู้จริงๆเพิ่งจะรู้นะ <c oughs> ใครๆรู้เขาว่าอกหักนะ <c oughs> รู้ไหมรู้ไหมอ๋อพารู้ไนมะ <c oughs> นะ่เป็นยังไงกับอกหักพูดให้ฟังหนู <c oughs> อ๋อนั่นคือคนอกหักติดอันนี้ก็คนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้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 คิดอย่างนี้เมื่อว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะมีฤทธิ์มีเดชจะมองเห็นดินคว้าอากาศบางครั้งจะมองเห็นลอตตรี่คุณบางครั้งเมองบางครั้งมันนึกว่าจะมองเห็นจิตใจตัดใจใส้ปอดของคนนี่มันคิดไปสารพัดสารเพไปอันนั้นมันตั้งผมคิดขึ้นมามันผิดอยากไปตั้งใจอะไรอย่างทุกคนที่พูดนี้พอดีมันคิดมาฤทธมาลู่ตัวเราต่อยเลย อันนั้นรู้ออกมาข้างนอกนั้นเรียกว่าวิปัสสนุปกิเลตมันเป็นกิเลตและมันคิดถึงคนนั้นคนนี้อันนั้นเกิเลตกิเลตไม่ใช่มีตัวมีตนนะเราไม่เห็นใจแล้วก็แปลว่าคนนั้นไม่เห็นกิเลตแล้วบางคนเข้าใจวพระอหรหันเนี่ยเหาะได้มองเห็นตับไตไ้ปอดมองเห็นอันนั้นอันนี้โอ้พระอหรหันแบบคนนั้นคิดมันคนบ้าคิดคนบ้าคิดมันต้องคิดอย่างนั้น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 อันนี้หลวงพ่อได้ยินเจ้าคณะอำเภอเสียงคานพระครูวิทิตธรรมจารย์นี่หลวงพ่อเป็นลูกติดท่านเมื่อบวชในสมัยเป็นหนุ่มแต่บวชครั้งนี้กับท่านเป็นอุปสารคให้วะท่านสอนวะอักขาตาโลตถาคตาอันนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าข้าตถาคตนั้นนะ่ะเป็นตัวทวงเพียงพูดแนววิธีปฏิบัติเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอทําเอง